สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเทวรูปกินคนเรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งได้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตซื้อที่ดินหาไร่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะปลูกผลไม้ขายเขาสร้างบ้านเล็กๆไว้ในสวน หลังจากย้ายข้าวของเข้าบ้านเสร็จเขาก็ไม่รอชา้าขวาจอบเพื่อจะขุดหลุมปลูกกล้วยน้ำว้าในขณะที่ขุดไปได้สักพักอ ย, ยู่ๆจอบก็กระแทกกับบางอย่างเสียงดังแกล้งเขาเอามือเกลี่ยดินบริเวณนั้นออกก็ได้พบกับบางอย่างคล้ายรูปปั้นสีดำเขาจึงขุดมันขึ้นมามันเป็นรูปปั้นสูงประมาณเอว ลักษณะเหมือนชายหัวล้านว่วนลงพงุงมือสองข้างแตะอยู่ที่ท้องร่างสีดำทมินดวงตาสีแดงกำแต่ที่ชวนสยองสุดๆคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มชวนขนหัวลุกในปากคล้ายมีเขี้ยวสีเล็กๆเรียงอยู่แล้วคราบสีออกน้ำตาลที่มุมปากคล้ายเลือดที่แห้งกลงังทำให้ชายหนุ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที เขาก็เลยรีบนำมันไปให้พระที่วัดพอหลวงพ่อรูปหนึ่งเห็นรูปปั้นประหลาดนั้นก็มีอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดรีบตะโกนเด็กวัดให้ตามพระรูปอื่นมาทันทีชายหนุ่มสงสัยและมึนงงเลยถามออกไปว่ารูปปั้นนี้มันมีอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อตอบด้วยเสียงที่สันส่นๆว่า เดี๋ยวเสร็จพิธีข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้ต้องรีบแล้วชายหนุ่มเริ่มใจไม่ดีเลยยอมทำตามที่หลวงพ่อบอกเก็บความสงสัยไว้ในใจตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเขาเอารูปปั้นไปใส่ในเมนเผาศพแล้วพระท่านก็เริ่มทำพิธีคล้ายงานศพแต่บทสวดมันฟังดูแปลกๆพิกลผ่านมาชั่วโมงกว่า พอจบพิธีหลวงพ่อก็เล่าทุกอย่างให้ฟังรูปปั้นนี้มันเป็นของเขมนโบราณชาวบ้านเขาเรียกว่าเทวรูปกินคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วเองนี่มันสวยจริงๆผมหน้าซีดหลังจากได้รู้ชื่อที่ชวนสยองของรูปปั้นประหลาดตัวนี้แล้วหลวงพ่อก็หยิบยันให้และบอกกับผมว่ายันนี้ จะช่วยบังตาไม่ให้มันเห็นตัวเองพิธีนี้ทำได้แค่ขับไล่มันไปแต่ไม่นานมันจะกลับมาแน่เดี๋ยวข้าจะตามหมอขมรนมาสะกดมันไว้ระหว่างนี้เอ็งต้องพกยันไว้ตลอดห้ามให้ห่างตัวแล้วที่สำคัญห้ามทำเลือดจุดลงบนดินมันจะตามกลิ่นเลือดเองจนเจอชายหนุ่มกลับมาบ้าน ด้วยใจที่ไม่สู้ดีนักเขานอนไม่หลับจนกระทั่งเวลาห้าทุ่มกว่ า, วาเขาได้ยินเสียงคล้ายวัวควายร้องโหยหวนอย่างทรมานทั้งตัวเขาสั่นไปด้วยความกลัวจากนั้นเสียงก็เงียบไปเขาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนล้าจนตื่นขึ้นอีกทีตอนเช้าเขาพยายามลืมเรื่องเมื่อวานแล้วตั้งใจทำสวนต่อไป เวลาบ่ายสามโมงเขาก็อาบน้ำเตรียมไปตลาดนัดใกล้ๆขณะดเดินซื้อของเขาก็ได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดคุยกันเรื่องเสียงวัวร้องเมื่อคืนจับใจความได้ว่ามีบ้านหนึ่งในหมู่บ้านเราที่เขาเลี้ยงวัวเมื่อเช้ามีคนไปเจอวัวตายยกฝูงท้องโดนเจาะเป็นรูเครื่องในถูกควักออกไปหมดสําร้าย เจ้าของบ้านก็ตายยกบ้านในสภาพเดียวกันนอนตายท้องกลวงโบชายหนุ่มได้ยินก็เลยแทรกถามขึ้นว่าแล้วใครเป็นคนทําพอจะทราบไหมครับป้าแม่ค้าอัมอึง้งและตอบไปว่าเขาลือว่าเป็นเทวะรูปกินคนที่เคยอรารวาสที่หมู่บ้านอื่นเมื่อหลายปีก่อนตายยกหมู่บ้านตอนนี้เป็นหมู่บ้านร้างไปแล้ว อาจ ด, ดูเหลือเชื่องมงายนะพ่อหนุ่มแต่มันเกิดขึ้นจริงๆสมัยป้ายังสาวๆเคยมีหมอผีมาสะกดวิญญาณแล้วเอาไปฝังแต่ไม่มีใครรู้ว่าฝังไว้ที่ไหนนี่คงมีใครไปทะลึ่งขุดเจอเข้ามันเลยตื่นขึ้นมาอีกแน่ๆชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ น, น้าสีแขนขาชาจนแม่ค้าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อหนุ่ม ชายหนุ่มตั้งสติแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับป้าจากนั้นก็รีบกลับบ้านทันทีคืนนั้นเองในขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับเขาได้ยินเสียงกรีดร้อง้นกับหัวเลาะมันดังกล้องจนหน้าคนลุกเขาหวาดกลัวและระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความสงสัยใครรู้ที่มีเลยขอพิสูจน์ให้แน่ใจ เขาเดินไปที่หน้าต่างแล้วแง้มม่านออกเล็กน้อยมองออกไปจะเห็นทางเข้าสวนที่เป็นถนนลูกรังและมีไฟถนนส่องสว่างหนึ่งดวงห่างจากตัวบ้านไม่ไกลเมื่อกวาดสายตาออกไปภาพที่เห็นทำเอาแทบสิ้นสติเขาเห็นมันร่างดำทมึนนั้นเดินวนไปมาคล้ายกับกำลังหาอะไรบางอย่าง หรือมันกำลังตามหาคนที่ปลุกมันขึ้นมาในใจคิดพลางจ้องตาไม่กระพริบแล้วทันใดนั้นเขาต้องตกใจสุดขีดเมื่อมันหันมามองทางเขาแสงไฟทำให้เห็นรอยยิ้มหน้าสยดสยองเขี้ยวที่เรียงรายเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเขาละออกจากหน้าต่างทันทีคิดในใจหรือมันจะรู้ว่าเขาอยู่ในนี้ เสียงกรีดร้องพร้อมเสียงหัวเราะที่แหบแห้งจนหน้าขนลุกดังขึ้นเสียงที่ได้ยินดูใกล้มากราวกับว่ามันมายืนอยู่ที่หน้าต่างของเขาชายหนุ่มทนฟังเสียงโหยหวนทั้งคืนจนเช้าแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปพอตะวันขึ้นเขาไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปที่วัดพอถึงในวัดเหมือนจะกำลังมีงานศพอยู่ เขาตรงเข้าไปหาเด็กวัดคนหนึ่งแล้วถามหาหลวงพ่อแต่คำตอบที่ได้กลับทำเอาแทบช็อกหลวงพ่อมรณภาพไปเมื่อคืนวันที่ทำพิธีนั้นแล้วครับพี่เด็กวัดเล่าว่าหลังจากเสร็จพิธีกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อเป็นคนห่วงคนที่บ้านท่านเลยคิดจะเอาอยัานไปให้แต่เช้ามากลับเห็นศพท่านแน่นิ่งข้างทาง ยามที่ใส่ ย, ยันก็ลอยอยู่ในคลองใกล้ๆคนที่บ้านก็ตายหมดใช่บ้านที่เลี้ยงหัวที่ตายยกบ้านนั่นแหละบ้านพี่น้องของหลวงพ่อท่านเองชายหนุ่มถึงกับสุดหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้แต่พระรูปหนึ่งก็เดินมาแล้วถามว่ามีอะไรหรือโยมเลยเล่าทุกอย่างที่เขาพบเจอมาทั้งหมดตั้งแต่วันแรก และเรื่องที่ได้ยินที่ตลาดให้พระรูปนั้นฟังพระก็บอกกับเขาว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกโยมจนกว่าหมอขเขมรจะมาแต่ตราบใดที่พกยันไว้มันจะช่วยบังตาเทวรูปให้มองเราไม่เห็นทำใจให้สบายเถอะโยมชายหนุ่มกลับบ้านด้วยความอ่อนเพลียเพราะไม่ได้นอนทั้งคืน บวกกับอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอมาทั้งหมดทํามอเขาแทบบ้าแต่อย่างน้อยยันก็ช่วยให้เขาอุ่นใจขึ้นตอนนี้หมู่บ้านที่เคยเห็นคนออกมาทำไร่ทาสวนอย่างคึกคักไม่ต่างจากหมู่บ้านร้างทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านชายหนุ่มก็เช่นกันหลายวันต่อมาหมอผีมาถึงหมู่บ้าน เขาตรงไปที่บ้านชายหนุ่มตามคำบอกของพระที่วัดแต่ไม่มีวี่แววใครอยู่หมอผีจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในสวนซึ่งมีหญ้าขึ้นรกทึบเกือบถึงหัวเขาได้เจอตอไม้ที่เปื้อนเลือดพร้อมกับรอยเท้าคนเขาจึงได้ตามรอยเท้านั้นไปแล้วก็พบกับร่างชายหนุ่มนอนแน่นิ่ง ตาถลนออกจากเบาบริเวณท้องกลวงโบแต่ที่น่าสยองที่สุดคือเทวรูปนั้นมันอยู่ในท้องเขาแทนที่จะเป็นตับไตไส้พุงใบหน้าของมันยิ้มแย้มสยดสยองเปียกโชกไปด้วยเลือดนอนอย่างสบายใจในท้องของชายหนุ่มราวกับว่าเพิ่งอิ่มเอมกับอาหารมื้อใหญ่ หมอผีไม่รอช้ารายคาถาค่อยๆเอามือควักมันออกมาจากท้องของชายหนุ่มแล้วเอามันใส่ในยญ้ามาคมใบใหญ่จากนั้นชาวบ้านก็มาช่วยกันทาพิธีสะกดวิญญาณจบพิธีเด็กวัดคนหนึ่งเกิดสงสัยบางอย่างจึงเอ่ยถามหมอผีว่าอาจารย์ครับพี่คนนั้นเขาพกยัน แต่ทำไมถึงโดนตามเจอล่ะครับหมอขมนตอบได้ความประมาณว่าเพราะกลัวเสียงของเทวรูปผีมากึนทำให้สติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ดันพลาดท่าหลมถูกตอไม้ทิ้มเลือดออกพอไอเทวรูปมันได้กลิ่นเลือดก็เลยตามกลิ่นคาวเลือดมาเจอเขาหลังจากนั้นเรื่องนี้ ก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากพระรูปหนึ่งที่ได้ฟังได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากชายผู้นั้นก่อนเขาจะตายสวนที่ดินตรงนั้นก็ถูกทิ้งร้างนานหลายสิบปีจนหลานที่เป็นลูกของน้องสาวชายคนนั้นก็เข้ามาทําสวนทําไร่ในที่ดินของเขาสืบต่อมาหลายรุ่นจนตอนนี้เป็นหน้าที่ของผมใช่ครับ ผมมาอยู่ในนี้ได้สมเดือนแล้วแต่ยังไม่เจออะไรแต่ก่อนจะมาปู่ผมกําชับว่าท้ายสวนจะมีโพรงใต้ดินปากโพรงจะมีไม้ตอกกั้นไว้คล้ายคล้ายคอกเล็กๆตรงนั้นไม่ว่ายัางไงก็ห้ามไปยุ่งเด็ดขาดถ้าไม่อยากเป็นแบบปู่ทวดแน่นอนแล้วครับยันนั่นผมก็มีเก็บไว้กับตัวผมมาอยู่ที่นี่ เป็นเวลาสามเดือนแล้วไม่มีอะไรจนคืนก่อนผมได้ยินเสียงหวยหวนมาจากท้ายสวนคืนนี้ก็เช่นกันตอนนี้ก็ตีห้าแล้วผมยังไม่ได้นอนเพราะเสียงหน้าคนลุกมันดังจนไม่กล้าข่มตาหลับในขณะที่ผมเขียนโพตนี้ผมก็ได้ยินเสียงมันอยู่เกือบทุกวันหลังหกโมงเย็นทําให้ผมเป็นโรคนอนไม่หลับ ผมต้องนอน6โมงเชา้าตื่นเที่ยงทุกวันตั้งแต่นั้นมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ